เรื่องคนยืมบาทสมัยนั้นพวกภิกษุให้กุลบุตรผู้ยืมบาทเขามาอุปสมบทเมื่ออุปสมบทแล้วเจ้าของก็ขอเอาบาทรคืนพวกเธอเที่ยวบินทบาตด้วยมือมนุษย์ทั้งหลายพากันตำหนิประนามผลธนาว่าเที่ยวบินทบาทเหมือนพวกเดียร์ถีภิกษุทั้งหลายจึงกล่าบทูลเรื่องนี้ให้พระผู้มีพระภาคทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้ยืมบาทเขามาไม่พึงให้อุปสมบท รูปใดให้อุปสมบท ต, ต้องอบัตทุกกฎวงเล็บสิบเก้า